วันก่อนนี้ขณะที่เรายืนอยู่ที่สถ า, านีรถไฟสมมติรถไฟมันวิ่งผ่านเราก็มองไม่เห็นอะไรรถไฟเลยถ้าจะให้มองเห็นก็มีได้2กรณี 1. วิ่งตามรถไฟด้วยอัตราวความเร็วเท่ากับรถไฟเราก็จะมองเห็นอะไรต่างๆทั้งหมดบนรถไฟหรือมิฉะนั้นรถไฟจอดใช่ไหมจอดอยู่กับที่ เราก็มองเห็นแต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าเรายืนอยู่ที่ฐานในรถไฟเราต้องการที่จะเห็นรถไฟรถไฟจอดปึ๊กโดยกระทันหันอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็เกิดอไอ้กำลังมันยังกลังมันยังมีอยู่มันจอด ท, ทันทีมันก็ต้องอหยุดชะงัก ท, ทันทีอาจจะตกรางไปเลยเพราะนั้นยังคนย่งจิตของเราเนี่ย ตอนแรกเรามาเพ่งดูรูปนามขันห้ามันยังไม่เท่ากันจิตมันยังไม่เท่ากันมันก็มองไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าจิตของเราเพ่งดูรูปนามขันห้าแล้วณขณะหนึ่งไอความเกิดดับของจิตของเราเนี่ยเป็นล้านครั้งต่อวินาทีมันมาเท่ากับไอความเกิดดับของรูปนามขันห้ากึกทันทีเลยอะไรเกิดขึ้น สะดุ้งสุดตัวเลยใช่ไหมใช่ไหมเรานึกถึงหลักความจริงนึกถึงหลักวิทยาศาสตร์ความจริงเพราะนั้นการที่รูปนามมันเกิดมันดับอย่างรวดเร็วแล้วจิตเรารู้ตามไม่ทันจิตปกติรู้ตามไม่ทันนี่แหละที่พระเจ้าตรัสว่า สันตติมันปิดบังอนิจจังสันตติแปลว่าความเกิดดับอย่างรวดเร็วมันปิดบังอนิจจังปิดบังการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจรึงมองไม่เห็นอาตมาก็เปรียบเทียบให้เห็นแล้วว่าอย่างไฟฟ้านี่น่ะตามปกติน่ะมันไม่ได้ติดถาวร อ, อย่างนี้ตลอดมันติดดับติดดับติดดับ ด้วยหลักการทางเทคนิคของเขาต้องให้เป็นอย่างนั้นมันติดดับติดดับเนี่ย50ครั้งต่อวินาทีเรายังมองไม่เห็นเลยใช่ไหม ย, ยังมองไม่เห็นแต่ทางวิทยาศาสตร์เขามีเครื่องวัดที่จะวัดให้เห็นว่าไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันติดดับติดดับติดดับออกมาเป็นภาพให้เห็นเลยถามว่าทำไมเครื่องวัดอันนี้ จึงสามารถจับการติดดับติดดับของไฟฟ้านี้ได้ก็เพราะเขาปรับไอความเร็วของเครื่องวัดเนี้ยเราปรับปุ่มมันมีปุ่มที่จะปรับความเร็วของเครื่องวัดอันนี้ให้ไปเท่ากับความเร็วของการเกิดดับไฟฟ้า50ครั้งต่อวินาทีเพราะนั้นมันออก็นเป็นภาพเหมือนกันในทีวีมันเป็นจอเหมือนกับในทีวีออกมาเป็นภาพให้เห็นเลย เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเป็นภาพอย่างนี้เลยอาตมาโชคดีที่ว่าอาตมาเรียนพวกนี้มาเพราะนั้นชั้นใดก็ดีไอการเกิดดับของรูปนามขันห้านี่เนี่ยมันมีอัตราความเร็วมีอัตราความเร็วมากมีอัตราความเร็วมากรอบหนึ่งการเกิดดับรอบหนึ่งเนี่ย อัตราวความเร็วใช้อัตราวความเร็วมากประมาณเท่ากับแสงหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันไมล์ต่อวินาทีแสงเนี่ยมันเคลื่อนที่หนึ่งวินาทีเนี่ยไปได้หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันไมล์เพราะะนั้นอันนี้รอบหนึ่งการเกิดดับรอบหนึ่งเนี่ยใช้เวลาใช้เวลาในเนี้ยใช้เวลาในเนี้ยหนึ่งแสแปดหมื่นหกพันไมล์ต่อหนึ่งวินาทีเนี่ย เพราะนั้นถ้าจิตเราไปเพ่งดูซึ่งไอาการเกิดดับของจิตเรามันก็เกือบจะเท่ากับรูปนามขันหานี่แหละแต่ว่ามันตอนแรกๆมันยังไม่เท่ากันพอดีแต่ถ้าจิตเราได้ผ่านสมาธิผ่านสติมันอย่างดีแล้วเอามาเพ่งดูรูปนามขันหานี่ยในที่สุดความเกิดดับของจิตของเราเนี่ยจะเท่ากับความเกิดดับของรูปนามขันห้าแล้วเมื่อ น, นั้นมันก็เหมือนกับรถไฟที่มันจอดกึกทันทีทันใดสะดุ้งสุดตัวเลย นี่เขาเรียกว่าสันตติมันขาดตามปกติพระเจ้าบอกว่าสันตติเนี่ยมันปิดบังอา น, นิจังปิดบังอา น, นิจังไว้คือความสืบต่ออย่างรวดเร็วเนี่ยมันปิดบังอา น, นิจังไว้แน่นอนตามธรรมดาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้ามันถูกปิดไว้เราก็มองไม่เห็นการที่เราจะให้มองเห็นอันนั้นเราก็ต้องเปิดสิ่งที่ปิดอยู่ใช่ไหมเพรางั้นเราก็ต้องเปิดสันตติ ถึงจะเห็นอันนี้จังใช่ไหมนี่แหละคือวิปัสสนาญาณที่สี่วิปัสสนาญาณที่สองที่สามผู้จ้าให้เราเข้าไปเห็นความเกิดอันที่สองให้เราไปเห็นความเกิดอย่างช้าๆอันที่สามให้ไปเห็นความดับอย่างช้าๆให้เห็นพรนั้นสองสามเนี่ย ให้เห็นการเกิดการดับอย่างช้าๆแต่ยานที่4นี้พระเจ้าให้เรามาเพ่งดูรูปนามขันห้าหมายความมาต้องเอาจิตที่ผ่านสมาธิผ่านสติอย่างดีมาแล้วมาเพ่งดูรูปนามขันห้าจนกระทั่งสันตติขาดโดยทางกลับกันถ้าสันตติขาดก็หมายความว่าเราได้เข้าไปเห็นรูปนามขันห้ามันเกิดมันดับ ใช่ไหมเพราะว่าความเร็วของจิตของเราเกิดดับของจิตของเราเนี่ยไปเท่ากับความเร็วการเกิดดับของขันธ์ห้าโยมนึกภาพออกไหมว <c oughs> ันในยาณที่สี่นี่น่ะเป็นยานที่สำคัญมากๆต้องเพ่งดูรูปนามขันธ์ห้าจนกระทั่งสันตติขาดถ้าตราบใดสันตติยังไม่ขาดตราบนั้นยังไม่ผ่านยานที่สี่ ะ, ะเดี๋ยวจะทีนี้มันตัวมันเล็กนะ่อาตมาจะอ่านแล้วไม่ต้องจดลงนะไม่ต้องโยงงจดอาตมาจะอ่านให้ฟังเป็นภาคปฏิบัติวิปัสนาภาวนาเพื่อให้เกิดวิปัสนาญาณที่สที่เรียกว่าอุทยพยญาณที่เรียกว่าอุทยพ ย, ายาัญาณปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นการเกิดการดับของรูปนามอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติของเขา เกิดดับตามธรรมชาติของเขาเช่นเดียวกับการเกิดดับของกระแสะไฟฟ้านี่เป็นการเกิดดับตามธรรมชาติของรูปนามขันห้าเขาวิธีการปฏิบัตินั่นก็คือหนึ่งเอารูปนามขันห้าของลมหายใจเข้าออกเป็นองค์ภาวนาตามเดิมเพ่งดูรูปนามขันห้าเพ่งดูรูปนามขันห้าเนี่ยทำความรู้สึก มีสติสัมปชัญญะให้รู้สึกรูปน้ำเข้าเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็เฝ้าตามาตามดูเขาตลอดเวลาอย่าให้พลากจากองค์ภาวนาอนนี้ได้เอารูปน้ำขันห้าวลมหายใจเข้าออกเป็นองค์ภาวนาต้องเฝ้าเพ่งดูอย่างนี้แต่ว่าจะต้องเป็นจิตที่ผ่านสมาธิอย่างดีมาเพิ่งถอนออกจากสมาธิขณะที่จิตเราถอนออกสมาธิน่นน่ะพุทธเจ้าตรัสว่าเป็น จิต ท, ที่ ส, ม ค, ม, สมควรแก่การงานใช่ไหมที่พระเจ้าแต่ว่าสมควรแก่การงานคือมีสติมีสมาธิอย่างดีที่จะมาเพ่งดูจากการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณที่2และ3คือรูปนามขันห้าของลมหายใจเข้าเกิดดับอย่างครั้งหนึ่งลมหายใจออกเกิดดับอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นไปอย่างช้าชที่เราฝึกในญาณที่2 อ, อย่างที่3 ลมให้ใจข้าวแล้วก็ข้าที่ปลายจมูกแล้วก็มาดับที่นี่แล้วออกก็ออกจากที่ช่องท้องนี่มาสุดที่ปลายจมูกถือว่าเป็นขันห้ารูปนามขันห้าคนละอั น, นคนละอันนั่นอย่างช้าๆอย่างช้าๆ น, นี่คือข้อที่สอความหมายข้อที่3แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วรูปนามขันห้าเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วตลอดระยะทาง ที่ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกนะับเป็นแสนเป็นล้านครั้งอย่างที่คุณหมอว่าเป็นล้านครั้งอืใช่ทั้งนี้เป็นเพราะลมหายใจเข้าหรือลมหายใจอออกนั่นนะกระทบสัมผัสกาย ก, ายก็คือหลอดลมใช่ไหมหลอดลมก็ถือว่าเป็นกายใช่ไหมถือว่าเป็นกายกระทบหลอดลมเนี่ยตลอดตามระยะทางตามจุดเลื่อยมาอทั้งนี้เอ ตลอดทางรูปนามขันห้าจึงเกิดดับเกิดดับตลอดทางเป็นแสนเป็นล้านครั้งการที่เกิดการอย่างรู้อย่างเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามขันห้าได้ตามยานที่2และที่3อย่างช้าๆได้จึงทำให้เราเข้าไปรู้ความเป็นอนิจจังของรูปนามขันห้าได้รู้ด้วยสติเห็นด้วยสติ เอาสติไปเฝ้าเพ่งดูเมื่อเราเห็นรูปนามเกิดเห็นรูปนามดับลรวบอกได้ว่ารูปนามเป็นอนิจจังนั่นแบบอย่างช้าๆอันที่สองอันที่3าม่านที่2ที่3แต่ถ้ารูปนามขันห้าเกิดดับอย่างรวดเร็วตามความเป็นจริงเป็นแสนครั้งตลอดทางลมหายใจเข้าออกนั้นสติสมาธิธรรมดาไม่สามารถจับได้และก็ไม่สามารถเข้าไปรู้ความเป็นอนิจจังได้ สถานาการณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าสันตติปิดบังอ น, นิจังโยมจําคําว่าสันตติปิดบังอ น, นิจังไว้สันตติแปลว่าความสืบต่ออย่างรวดเร็วดังนั้นในกรณีนี้จึงจําเป็นต้องเปิดสันตติออกก่อนจึงจะสามารถเห็นอ น, นิจังได้การเปิดสันตติกระทําได้โดยใช้จิตที่ประกอบด้วยพลังสติและพลังสมาธิ นี่ไงต้องเข้าสมาธิมาก่อนเมื่อเข้าสมาธิสติก็ต้องตามมาด้วยเป็นการฝึกอตาตมาบอกว่าเป็นการฝึกทั้งสติและสมาธิพร้อมกันเป็นการพลังสติและพลังสมาธิสูพอเพ่งรวมจุดเข้าไปที่รูปนั้นหรือนามนั้นจนกระทั่งสันตติขาดรู้ได้ยังไงสันติขาด นั่นแหละเหมือนกับรถไฟจอดคึกกระทันหันนั่นแหละมันจะสะดุ้งสุดตัวเลยโยมมันจะสะดุ้งสุดตัวเลยถ้าเราเพ่งดูอยู่อย่างเงี้ยคือการขณะที่เพ่งดูอยู่นั้นนอะคือเป็นการปรับไอความเร็วของจิตของเราให้มันเท่ากับความเร็วของวัตถุที่เราเพ่งดูอยู่วัตถุที่เราเพ่งดูอยู่อืม รวมจุดก็ไปที่รูปนั้นหรือนาม น, น, นั้นจนกระทั่งสันตติขาดนั่นแหละตรงจุดนั้นจะสามารถเกิดการอย่างรู้อย่างเห็นการเกิดดับของรูปนามขันห้าได้และสามารถเข้าไปกําหนดความเป็นอนิจจังของรูปนามขันห้า น, นั้นได้พอสันตติขาดนี่บอกได้เลยว่ารูปนามขันห้าเราได้เข้าไปเห็นไอ้ความเกิดดับของรูปนามขันห้านั้นแล้วด้วยการสันตติขาด มันเป็นนิมิตมันเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายถ้ า, าว่าความเร็วของจิตรเราไปเท่ากับความเร็วของการเกิดดับของขันธะนั่นเรียกว่ามันคล้ายๆรถมันจอดกึ๊กนาทีทานใดมันก็เกิดปฏิกิริยาสะดุ้งสุดตัว เพราะเมื่อเราสันตติขาดเราก็จึงได้บอกได้ว่านั่นแหละเราได้เข้าไปเห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนามขันท่าหรือนายันหนึ่งเมื่อเราไปเห็นความเกิดดับมันก็คือเห็นอันนี้จังนั่นเองเห็นอันนี้จังนั่นเองนี่การปฏิบัติเพียนเพ่งดูรูปนามจนเกิดสันตติขาดเกิดปัญญาอย่างรู้อย่างเห็นรูปนามขันท่า อย่างรวดเร็วได้นี้แหละเรียกว่าอุทยบพยาญาณญาณที่สี่ญาณที่4เพรา ะ, ะนั้นเกิดไดจากการที่เอาจิตที่ผ่านสมาธิเห็นไหมต้องทำสมาธิก่อนทุกครั้งต้องสมาธิก่อนทุกครั้งเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วแล้วสมาธิในครั้งนี้เนะี่ยต้องเป็นอัปปนาสมาธิ จิตจึงจะเกิดพลังมากใช่ไหมอัปปนาสมาธิจิตได้พักงานอย่างเด็ดขาดใช่ไหมอัปปนาสมาธิตรงทั้งลมหายใจขาดหายใช่ไหมถ้าลมหายใจยังมีอยู่จิตยังทำงานอยู่จิตยังพักไม่เต็มที่ใช่ไหมจิตไปรับรู้ลมหายใจอะแล้วแต่แล้วแต่คนแต่หากว่าตอนแรกๆเนี่ยเราควรจะ ให้มันนานที่สุดเท่าที่ยานานได้ถ้ามันถอนออกมาเราต้องเข้าไปอีกเข้าไปพักอีกให้มันเกิดความจำนานว่าเราจะให้มันนานเท่าไหร่ก็ได้ตอนแรกๆก็ต้องคงต้องให้มันนานเพื่อจะได้มีพลังจิตมากแต่ผู้ที่ทําปฏิบัติมาํานานแล้วเนี่ยอาจจะพักจิตเพียงแค่ห้านาทีแค่ห้านาทีแล้วก็ถอนออกมายกจิตขึ้นสู่วิปัสนาเลย<ถ>ยัง ต้องทําให้ชํนานาญอัตมาถึงบอกว่าทําให้ชํนานาญเข้าเอาปัาให้ชํนานาญแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ฝึกเดินจิตไปในตัวด้วยต้องฝึกเดินจิตไปด้วยแต่ควรจะได้ให้ให้มันเกิดความชํนานาญพักให้มันชํนานาญพูดโทรศัพท์ไป น, นั่นแหละก็เ อ, อาสติหลวงพ่อบอกว่าให้เ อ, อาสติมันจับไว้ที่ลมจับที่ลมอย่างเดียวรู้อยู่กับลมอย่างเดียว เข้าให้รู้ออกให้รู้เข้ๆๆาให้รู้ออกให้รู้นั่นแหละพอนานไปนานไปแล้วมันก็ลม พ, พิจารณ์มันจะขาดพุทธหายไปนนงไงก็ตัวอฏิบัติต่อไปอีกจะเพิ่งไปท้อถอยมันแต่ถึงแค่นี้ยังไงก็ตามก็หัดเดินปัญญาอย่างนี้หัดเดินปัญญาในยานที่หนึ่งยานที่สองยานที่ส <c oughs> <c oughs> ามมาฮะไม่ใช่ ไม่ใช่ตกผวางนั่นคือเข้าผวาเงียบหายลึกหายไปเลย mm hmm. อายุยมจอมรับตารับตานั่นแหละตอนที่ฐาสติขาดนั้นอาจจะลืมตาแต่บางคนถ้าธรรมดาแล้วก็ mm hmm. นั่นแล้วก็ไม่ต้องลืมไม่อะไรก็เป็นของธรรมดา mm hmm. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งนิ่งให้เรารู้ว่าเนี่ยโอสันตติมันขาดเราจะได้ไม่ไปไม่ไม่ได้จะได้ไปไปเข้าใจว่ามันเป็นอย่างอื่นเป็นอะไรไม่ใช่เป็นไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยฮะก็แสดงว่าสันตติมันขาดอย่างที่เป็นสันตติขาดอย่างนี้ใช่ไหยล่ะอืถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร พอถึงจุดนี้แล้วเดี๋ยวยังจะมีเรื่องราวต่อไปเยอะเลยจะต้องต่อจุดนี้ไปเยอะเลยแล้วก็ไม่ใช่บาสันตติขาดนี่เนี่ยมันจะมันก็ต้องไปเข้าเอาไอเอาวิสุทธิมาเช็คเวิสุทธิเจ็ดมาเช็คอีกเนี่ย <c oughs> เอาเอาแค่นี้ก่อนถ้าถึงแค่นี้ได้ฮะ ถ, ถ้าลักษณะอย่างนี้สันตติขาดคือมันสะดุ้งสุดตัว มันะดุ้งสุดตัวขณะที่เราเพ่งดูอยู่นะขณะที่เราเพ่งดูรูปหรือดูนามขณะที่เราเพ่งดูรูปหรือดูนามแล้ว <shooters> มันจะมันจะสันมันจะดุ้งสุดตัวอย่างนี้แต่งนั้นเรียกว่าสันตติขาดขณะที่เราเพ่งดูรูปดูนามสันตติขาดทีดดนี้พอสันตติขาดแล้วนี่นหละ ไม่ใช่ chore. อันนั้นนะไม่ใช่ Quest อันนั้นนะไมใ่ใช่อันนั้นอือันนั้นลมหายใจลมหายใจตอนนี้เราถอนออกจากสมาธิแล้วนะเราถอนออกจากสมาธิมาเพ่งดูนะต้องเพ่งดูนะต้องเพ่งเอาสติเพ่งดูนะเอาสติเพ่งดูเอาสติเหมือนกับเอาตาเนื้อไปจับนั่นแหะแต่ว่าไม่ใช่ตาเนื้อเอาสติไปจับอมทีนี้การที่จะเพ่งดูรูปเนี่ยจะดู ดูรูปเนี่ยจะดูรูปหายใจลมหายใจเข้าออกก็ได้จะดูรูปนั่งก็ได้จะดูรูปนอนก็ได้หลับตาหลับตาหลับตาแต่ว่าดูได้จิตเอาสติมาเพ่งขณะที่นอนอยู่เนี่ยเมื่อเรามีสมาธิดีแล้วเนี่ยเอาสติมาเพ่งดูรูปนอนแล้วมันก็จะสะดุ้งสุดตัวนอนก็ได้เพ่งดูได้นั่งก็ ดูรูปนั่งก็ได้ดูรูปนั่งก็ได้อืดูรูปนอนก็ได้ดูรูปนั่งก็ได้แล้วเมื่อเราสติสมาธิมันมันข้อสําคัญเนี่ยมันคือมันสติกับสมาธิเนี่ยมันจะพอดีกันจุดจุดหนึง่งถ้าสติมากเกินไปมันก็สันตติก็ไม่ขาดถ้าสมาธิมากเกินไปสันตติก็ไม่ขาดมันจะมีพอดีอยู่จุดหนึง่ง จากการปฏิบัติของเราเท่านั้นเราจะรู้ว่าจุดไหนจากการปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าจุดไหนที่มันพอดีพอดีที่จะทําให้สัน ต, ติมันขาดพอถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องมาถามหรอกมันรู้เองอต้องทําให้ถึงจุดนั้นต้องให้ผ่านยานที่สี่แล้วมันถึงจะต่อไปยานที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อไปได้ อา้ามีใครสงสัยมันอยากจะให้โยมเข้าใจนะอยากให้โยมเข้าใจไม่งั้นทำไม่ได้ทำมันไม่เป็นไปตามขั้นตอนอย่างนี้เนี่ยนะโยมมันดับทุกข์ไม่ได้แล้วมันต่อไปไม่ได้ในขนาดสัน ต, ติขาดเนี่ยมันยังไปจุดต่อไปเนี่ยเอ๊ะมันถูกทางหรือเปล่าถูกทางหรือไม่ถูกทางฮะมีมันมีตัวเช็ค ต้องเอาสติเอาวิสุทธิวิสุทธิมักเอามามานั่นอีกซึ่งจะพูดต่อไปเดี๋ยวโยมก็จะไม่ไหวต้องเอาวิสุทธิมาเข้ามาเทียบอีกถึงว่าจะถึงจะได้รู้ว่าจุดนี้มันถูกทางหรือไม่ถูกทางส่วนมากแล้วจะหลงทางจุดนี้กันมากตอนที่สันตติขาดแล้วเนี่ยตอนที่สันตติขาดแล้วเนี่ย ส่วนมากจะหลงทางตนจุดนี้กันมากมีทางสายของหลวงปู่มั่นเราเท่านั้นที่เตือนไว้อย่างมากๆเพราะว่าหลังจากสันตติขาดแล้วเนี่ยโอ้โหมันเกิดความพิสดารหลายหลายอย่างแล้วคนก็เลยไปหลงว่าสำเร็จแล้วจุดนี้สำคัญมากเล ย, ยนี่นะที่ นั่นคนอไเรื่องนั่นคนนั่นนอะไรเ่ออมไม่ใช่ใช่ใช่ เพราะว่าทั้งรูปทั้งนามมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับแล้วมีประโยชน์อะไรที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นมันก็อย่าไปสนใจมันสักแต่ว่าเห็นเท่านั้นเองสักแต่ว่าเห็นอืมให้สักไอ้นี่มันก็เป็นวัตถุของมันเมืันเขายองคงน่ากัมันอยู่ในรูปในขันท่าสิรูปในขันท่ารูปขันท่ามันก็ดับด้วย ม um. Shot, ันดับด้วยสิรูปในขันห้าขันห้าทั้งหมดเกิดดับเกิดดับพร้อมกันทั้งหมดทั้งหมดเลยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับพร้อมกันทั้งหมดนะใช่สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นเองแล้วมันก็ดับขอมันรูปทั้งหมดขันห้าในขันห้าทั้งหมดเกิดดับหมดรูปในขัน ทั้งรูปทั้งนามเกิดดับหมดในขนันห้าตัวขันห้านะั่นแหละมันเกิดมันดับหมดเพราะนั้นแน่นอนมันเป็นอัญญมันจะปัจจัยกันนะใช่ไหม อ, อิทัพปัจเยตากฎของอิทัพปัจเจตาว่ายังไง <c oughs> เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งนี้ สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็ดับไปอิทัปปจยตาอ่านเจอไหมอ่านเจอไหมในเล่มที่สี่ฮะเห็นไหมเอาหนังสือไปแล้วไม่ก็เลยอ่านมันอยู่ในเล่มที่สี่ออิทัปปจิยตาเป็นกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวของธรรมชาติพระพุทธเจ้าบอกก็เลยว่า เป็นกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวของธรรมชาติเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นเมื่อหมดสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยแล้วสิ่งนี้มันก็ดับไปเพราะฉะนั้นผู้เจ้าตรัสว่าเมื่อทุกข์มันเกิดได้มันก็ต้องดับได้ใช่ไหมเมื่อมันเกิดได้มันก็ต้องดับได้ใช่ไหมนี่ เพราะนั้นเป็นไปตามกฎของอิทั์ปัจจยต า, ยาตามปกติในปัจจุบันนี้น่ะสรรพสิ่งทั้งหลายนี่น่ะมันเป็นไปตามกระแสของอิทับปัจจยตาถ้าจะพูด ก, กันจริงๆแล้วไม่มีเกิดไม่มีตายไม่มีเกิดไม่มีตายมันเป็นไปตามกระแสของอิทับปัจจยตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นมาเมื่อหมดสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วมันก็ดับไป พอมีสิ่งใหม่ขึ้นมาอีกเป็นปัจจัยมันก็เกิดอีกมันก็เกิดดับเกิดดับอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกรวมทั้งสัตว์โลกสัตว์โลกอย่างพวกเราด้วยอ้าวอ้าวถามมีอะไรถาม เออเอาเอาดีแล้วเอาเอาใครสงสัยถามเนี่ยเอาแค่ยานหนึ่งสองสามสี่เนี่ยโยงเราต้องปฏิบัติเข้าเอาต้องเอาวิปัสนาญาณตัวนี้มาเป็นหลักเพราะเราจะต้องปฏิบัติวิปัสนาให้เกิดปัญญาอย่างนี้ถ้าบปรปัญญาอย่างอื่นมันดับทุกข์ไม่ได้มันไม่ใช่ สมาธิกับสติต้องพยายามสมาธิกับสติให้มันดีพอมันพอดีพอดีกันแล้วก็มันจะเป็นจุดที่ทำให้สันตติขาดไม่ได้ไม่ได้ไไดสัตติสติมากไปก็ไม่ได้สมาธิมากไปก็ไม่ได้ต้องจุดพอดีกันฮะใช่สิมีปััสนาขันี้ปััชนา หมายควาต้องเรามีสมาธิมาแล้วไงผ่านสมาธิมาแล้วไงต้องผ่านสมาธิมาแล้วก็ยังมีสมาธิอยู่ใช่ไหมถอนออกจากสมาธิมันยังมีสมาธิอยู่ยังมีกำลังอยู่แน่นอนสมาธิใช่ไหมไม่ต้องพูดโทรมากหรอกพูดโทรคาเดียวพูดโทรคำเดียวนาะพอพูดแล้วก็โทรนั่นน่ะจิตมันก็รวมจิตมันก็รวมถ้าเราทำํำนาญแล้วเนี่ยนะ นั่นแหะก็ปฏิบัติไปไม่เป็นไรหรอกเอาให้มันถูกทางส่นวนมันจะเร็วจะ น, นานแล้วช่างมันเถอะฮะโอ้ยปีหนึ่งยังน้อยไป <c oughs> ดีแล้วแหละนั่นแหะดีแ้วแหละดีแล้วแหล ะ, ลหละอาตมาฝึกมาตั้งแต่ปีอาตมาฝึกมาตั้งปีหนึ่งห้าคุณผูชมกว่าจะได้ <c oughs> ว่าโอ๊ยกว่าจะได้นะมัน ลุงปู่เนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยเป็นสิบสิบปีใช่ไหมเอาให้มันถูกทางมันจะช้ามันจะเร็วไม่เป็นสำคัญหรอกมันไม่ไม่สาคัญถ้าเรายิ่งมีความเพียรมากมันก็ได้เร็วัี้มีความเพียรน้อยมันก็ถ้าปฏิบัติไปแล้วมันก็มันก็เพลินนะโยมมันก็เพลิน วเวลาผันผ่านไปอ <laughs> ปฏิบัติไปแล้วมันก็มันก็เพลินอะโยมก็ทําไปแล้วมันก็เพลินมันก็ไม่นั่นอาตมาก็ไม่อยากจะพูดอะอยังเมื่อคืนนี้ก็นั่งเมื่อคืนนี้ก็กลับมาจากโน่นวัดอโศการามสามทุ่มกว่าไปงานศพเจ้าวาดวัดอโศการามที่สมุดปราการ โอ้โหกว่าจะไปถึงกว่าจะกลับรถสบากสบอมฮะล้วฝนฝนตกด้วยเมื่อวานนี่นะฝนตกด้วยออกจากนี่ห้าออกจากวัดนี่ห้าโมงเย็นไปถึงเอาทุ่มกว่าทุ่มกว่าฮะไปรถบัสใช่ไหมนั่นนะ รถบัสยังถึงช้ากว่าไปรถเออไปรถตู้ไปรถตู้กับเจ้าวาดอืมยังยังขยังสะบักสะบอมเลยขนาดรถตู้ฝนมันตกอ่ะฝนมันตกตลอดทางเลยถึงนู่นเลยไปด้วยป่ะเมื่อคืนนั่นน่ะกลับมาถึงสามทุ่มกว่ามมาถึงสามทุ่มกว่ากลับ มาถึงก็นอนไปได้พักหนึ่งแล้วก็เอ๊ลุกขึ้นมานั่งก็ว่านั่งนิดเดียวนะแต่จิตมันสงบดีมากๆเลยอะก็ไปชั่วโมงกว่าที่ขณะที่จิตมันสงบเลยนะนะมก็ไปชั่วโมงกว่าแล้วก็นอนไปสักครู่อ่านลุกขึ้นมานั่งอีก <c oughs> ก็ตามปุตติก็นั่งนั่งแล้วก็นอนสลับไปตลอดคืน บางช่วงก็นานบางช่วงก็ได้นานไม่ต้องก็ได้ในคืนวันนั้นในวันนั้นอะในวันนั้นในวันนั้นในวันนั้นครั้งแรกก็ตั้งเจตนางดเว้นบาปซะให้มันเป็นศีล เพราะสีนี่สําคัญมากมเลยโยมสีนี่สําคัญมากมากเลยงั้นอย่างพระเราถ้าไปอยู่ในป่าไปอยู่อะไงถ้าสีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกแล้วปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ใช่ถ้าสีไม่บริสุทธิ์แล้วก็อยู่ในป่าเนี่อยู่ไม่ได้หรอก ถ้าศีล ไ, ไม่บริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้หรอกพระอยู่ไม่ได้พระอยู่แล้วก็มันก็สมาธิมันก็ไม่เกิดสมาธิมันก็ไม่เกิด